เวทนาให้ได้รือมีความหมดหวังไม่งสงสัยออกจากเวทนาไม่ได้เนี่ยคือคือการวิจัยการรอบรู้เวทนาเป็นกิจที่ควรทำนะเนี่ยวงนทีเนี่ยนะถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่เราวิจัยเราค่อยควรไม่ถูกในสุดจริงๆเราก็จะศึกษาไปอีกมุมหนึ่งฟังคำสอนศึกษาคำสอนมาไปเสร็จ มันก็เลยไปเข้าใจอีกมุมหนึ่งแล้วก็ไปเลยชีวิตเนี่ยเสียเลยเสียของเลยใช่ไหมการเสพคุ้นเนี่ยเขาถึงพยายามมากถ้าเราเสพคุ้นบุคคลที่น้อมไปในเรื่องใดนักนก็นจะเข้าใจแล้วก็จะน้อมไปด้ถ้าไปเสพคุ้นบุคคลที่น้อมออกจากวัตตะมันก็จะได้ออกจากวัตตะท่านถึงสอนในคบพระพุทธเจ้าเนี่ยสาวกของพระพุทธเจ้าทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเราไปเสพคุ้นบุคคลที่มีความเห็นถูก ความเห็นถูกนั่นแหละก็จะเริ่มเราก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แต่ในสังสารวัตที่ผ่านมาเราฝ่าดงของมิจฉาทิฏฐิไม่พ้นน่ากลัวมากนี่ก็ไม่รู้จะไปกันยังไงเมื่อออกจากหน้าที่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเหล่านั้นจะต้องไปเกี่ยวข้องกับมิจฉาทิฏฐิเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วยิ่งเราก็ศรัทธาก็อ่อนแหวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่เข็งแรงเน้นๆก็ไม่รู้จะไปยังไง เคกรุณาขันขันนี้มากไหมว่ามันจะระหกระเหินไปยังไงใช่ไหมถ้ายังกำหนดทิศทางในสังสารวัฏได้ถูกเนี่ยมันจะไปกันขนาดไหนเนี่ยในเข้าในเข้ามันก็ดูเหมือนดีดูเือนดียิงไหมไม่จริงจริงนะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องพยายามใครควรดีนั้นถ้าว่ า, าวิชาตนากรรมแล้วก็พัฒษะการเกิดขึ้นเพราเวทนาเกิดเวทนาเกิ ด, ว, กดวิชาตนากรรมพัฒนะ แล้วก็การเกิดของของเวทนาดับเวทนาก็ดับนี่นะพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดกับพิจารณาเห็นธรรมคืความเสื่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทของเวทนาทั้งหลายในภายในอยู่เป็นต้นเราเนี่ยนะเมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นของเวทนาทั้งหลายในภายนอกเป็นต้นเหล่านี้ยคืออย่างนี้ทั้งเวทนาภายในและภายนอกล้วนเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาได้หมด บางคนไปคิดว่าการปฏิบัตินั้นการวิจัยเฉพาะแก่เวทนาภายในของตนเองเท่านั้นเวทนาภายนอกนั้นวิจัยไม่ได้นี่ผิด้วยนะผิดคําสอนเลยนะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทําไมต้องวิจัยเวทนาภายนอกเวทนาภายนอกเป็นนิสตังของความผิดผิดได้ไม่ยอมได้ไม่ได้เช่นลูกเกิดโสกเวทนาขึ้นมาเข้าใจผิดได้ไหมลูกเกิดทุกเวทนาขึ้นมาเกิดความเข้าใจผิดได้ไหมลูกเกิดอุเวขาเวทนาเกิดความเข้าใจผิด ได้ไหมล้วก็เป็นสําคัญว่าลูกเราสุขลูกเราทุกข์ลูกเราเฉยๆนั่นแหละคือไปสําคัญผิดในเวทนาภายนอกพระองค์ยิ่งสอนให้วิจัยเวทนาภายนอกเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นที่ตับของศาสนามานั้นทิชก็ยังอย่างฉะนั้นถ้าไม่รอบรู้เวทนาภายนอกในสุดจริงๆก็ถูกตาสนามานั้นทิชกินในเวทนาภายนอกนะเอากลับไปอย่างนี้ถ้าใครมีลูกใครมีเพื่อนใครมีคนที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นญาติมิตรทั้งหลาย ก็ไปฝึกดูเวทนาภายนอกด้วยเอาฝึกยังไงถ้าเห็นลูกเขาหิวข้าวเขาร้องไห้เราให้รู้ไงกาหนดยังไงดีเนะี่ยกาหนดยังไงดีถ้าลูกมีปัญหาเขาทะเลาะกอันย่มอมางคนกําหนดยังไงดีช่วงนั้นต้องกําหนดเวทนาภายนอกไหมต้องรอบรู้เวทนาภายนอกไหมต้องรอบรู้มาก่อนไหยรอบรู้มาก่อนแล้วต้องวิจัยมาก่อนต้อเข้าใจเวทนานะเราจะเห็นเลยนะว่าแต่ก่อนก็อยู่ด้วยกันใหม่ๆเนี่ย ทุกเวทนาเกิดมากใช่ไหแต่พอมาเลยอย่างเขาเขาขัดแยงแ้งกันเยอะทุกเวทนาเขาเกิดเยอะทุกเวทนาก็จะปัจจัยไหมเก็จ ะ, จะปัจจัยต้องวิจัยจริงๆเนะทั้ง น, นั้นก็เป็นดีตั้งของโลม่าตสาโมหัน้อไปวิจัยพูดแค่นี้เข้าใจไหยแล้วเป็นอย่างนั้นจริงไหมปแปลกนะบางคนเนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยเวลาเขาทุกข์ด้วยเราก็ทุกข์ไปด้วยไ่ม เวลาเขาดีใจขึ้นมาแล้วก็ซูคไปตามเขาเนี่ยออืแปลกนม่โทษกานไม่ไม่วิจัยเวทนาไปนอกเป็นแบบนี้จริงๆไม่รอบรู้อ่ะบางทีเนี่ยที่ที่เราทํางานเนี่ยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอนเนี่ยใช่ไวิธีทํางานเนี่ยบางทีก็เนี่ยเราไปสําคัญเอาเวทนาไปนอกเป็นของเราใช่ไหมเราไปเข้าใจผิดเลยว่าเวทนานเนี่ยเป็นของเราไงทั้งทั้ที่ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันแตกดับอยู่ตลอดเวลาเนี่เวทนาภายนอกอ่ะขันภายนอกแตกดับอยู่ตลอดเวลาแล้วสําคัญผิดมันเป็นลูกเราบ้างเป็นสามีเราบ้างเป็นเพื่อนเราบ้างเป็นภรรยาของเราบ้างเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นดน้วยนะฮะพอไปในสุดหญิงก็ไปยึดมันไปเพื่อเพลินไปยินดีท่านทุกท่านให้รักวิจัยให้เข้าใจว่าเวทนาภายนอกเนี่ยเป็นนติตังของความเข้าใจผิดนั้นต้องถ่ายถอนความเข้าใจผิดถ่ายถอนความมิจฉผิดให้ได้ แต่ไม่ใช่ว่าพิจารณาจนไม่รู้จักวันนี้คือพ่อคือแม่คนละเรื่องนะดังนั้นเนี่รู้จักรู้จักโดยความไม่ล่มหลงในปรมัตและบัญญตัติแบบทุกวันนี้ทุกวันนี้มันล่มหลงในปรมัตและบัญญตัติจนไม่เข้าใจปรมัตและบัญญตัติเมื่อไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเราก็ไปทุกกับมันเยอะแยะเป็นหมดใช่ไหถ่ายถอนความเข้าใจผิดไม่ได้่ายถอนความเห็นผิดไม่ได้ เพราะโทษต้องการลุ่มหลงในปรมาภิ์และบัญญัติเนี่ยวิปัสสนาญาณไม่เกิดขึ้นเป็นงั้นจริงวะไม่ใช่หรอกอย่างนั้นเขาขี้เกียจได้เอาเป็นทข้ออ้างอันนีน้มันไม่เข้าใจแบบอกุศลคือจริงๆท่านใช้คําว่าไม่ลุ่มหลงในปรมาภิ์และบัญญัติคําว่าไม่ไม่ลุ่มหลงแปลว่าเขาเข้าใจโดยฐานะโดยความเป็นบัญญตัติสมมุติว่านี่คือพ่อแม่สามีภรรยาลูก พอเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็ทําหน้าที่ได้ดีได้ถูกต้องแต่ในขณะที่ทําหน้าที่ได้ดีและถูกต้องเขาก็ไม่ยึดมั่นว่านั้นเป็นของของเราเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะรูปฐานเวทนาสัญญาสังขารจิยานนั้นเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยเพราะมีปัจจัยเกิดสิ่งเหล่านี้จึงเกิดถ้าปัจจัยเหล่านี้ดับสิ่งเหล่านี้ก็ดับเมื่อการประชุมขันเหล่านี้ยังเป็นไปอยู่การสมมุติบัญญัติว่าเป็นลูกเป็นสามีเป็นพ่อแม่ยังมี แต่เมื่อขันเหล่านี้แตกดับไปแล้วการบัญญัติสิ่งเหล่านี้ก็หมดไปอันนี้ก็เข้าใจตามข้อเท็จจริงเลยไม่ล่มหลงไม่ล่มหลงการเข้าใจเขาเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีไม่ใช่ภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากรสเป็นต้นไม่มีก็ใช่ก็คือการประชุมเหมือนนี่นงั่งนั่งกันอยู่เนี่ยเห็นไหมความเป็นหญิงเป็นชายโดยสมมติบัญญัติอย่างนี้แต่สภาวะของจริงๆไม่มี ต้องบัญญัติบัญญัติเรามีแล้วมีจริงนะตรงนี้ก็ต้องรู้ด้วยนะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์สอนเนี่ยเนี่ัศเกตเวลาพระองค์สอนเนี่ยพระองค์จะสอนว่าไม่ลุ่มหลงในธรรมะและบัญญัติไม่ใช่สอนให้ปฏิเสธบัญญัติไม่ได้ให้ปฏิเสธบัญญัติไม่ให้ลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงในที่นั้นเขาเรียกโลกิยะปฏิเวทญาณเป็นชื่อของวิปัสสนาญาณ ไม่ใช่โอ้โหไปปุบแล้วไปลุ่มหลงไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีแต่ดินน้ําใบลมนั้นนันมีจบเลยไปไปมาก็จะกลายเป็นรัที่ภายนอกไปําสอนของพระเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้สอนให้เข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดความลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้ถ้าไปลุ่มหลงขึ้นมามันยึดติดจริงๆนะมันยึดติดด้วยตัณหาเลยนะยึดติดด้วยมานะยึดถือยึดเออถือมั่นด้มานะเห็นผิดโดยมิฉาทิฏฐิเลย ญาณะสมานุปัสสนาก็จะไม่ทํางานในการเข้าไปวิจัยใช่ไหมตรงนี้เมื่อโลกพิจารณาเห็นในความเกิดขึ้นของเวทนาทั้งหลายในภายนอกความเสื่อมในเวทนาทั้งหลายภายนอกพิจารณาเห็นในความเกิดและความเสื่อมในเวทนาทั้งในภายในและภายนอกในพูดถึงความยํางานเมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นเวทนาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอยู่โลกพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายความเสื่อมหายในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอยู่ เมื่อโลกพิจารณาเห็นธรรมด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู่ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจซึ่งเวทนาย่อมละย่อมบรรเทาทำให้สิ้นสุดถึงความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินความพร่ำถึงความติดใจความถือไว้การจัดต้องความถือมัน่นเมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหลายด้วยอาการสิบสองอย่างย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงนะ ไม่ตั้งมั่นไม่ติดใจซึ่งเวทนาทั้งหลายก็ละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินความพร่ำถึงและความติดใจเมื่อพิจารณาเห็นเวทนาด้วยอันิจโตความไม่เที่ยงย่อมละความเพลิดเพลินพร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ในความติดใจในเวทนาย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทําให้สิ้นสุดลงให้ถึงความไม่มีซึ่งความเพลิดเพลินพร่ำถึงความติดใจความถือไว้ความจับต้องและความถือมั่นเมื่อโรคพิจารณาเห็นเวทนาโดยทุกขโตโหตัวเนี้ย โดยความเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้วิจัยอีกเยอะเลยอะ่ะฉะนั้นคนที่มีปัญญาถ้าเอาในเอาเอาในปฏิสัมพิธามมรรคก็ดีเอาในวิสุทธิมรรคต่างๆเหล่านี้ก็ดีที่ท่านมาวิจัยก็ไว้ในคําสอนของพระเจ้านะมาวิจัยเนี่ยท่านจะมีปัญญาที่กว้างขวางมากมีปัญญากว้างขวางแล้วไม่พอนี้ส่วนจริงท่านจะถ่ายถอนเลยนะถ่ายถอนโอ้โหไม่ยินดีไม่เพิดเบินในเวทนาแล้วยังโรกรตอพิจารณาโดยความเป็นโรคเนี่ยเห็นเวทนาเป็นโรคเลยนะ เป็นโรคอเลยนะคันถ้โตก็คือเป็นหัวฝีสันละโตก็เป็นลูกศรอักคตโตก็คือเป็นความลาบากอาภาถ้โตก็เป็นความมาพาดปรารถตก็คือเป็นอย่างอื่นมันบังคับไม่ได้มันแปลเป็นอื่นอย่างเลยเนี่ยถ้าเป็ของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ของเราไหมอันนี้เมันการเวทนาไม่ใช่ของเรามันเป็นอื่นไปแล้วมันนอกใจเราไปแล้วเรานึกเวทนามันจะซื่อสัตย์กับเราหรือไม่ได้ซื่อสัตย์หรอกมันทรยศไปแล้วมันหักหลังไปแล้ว พูดตามสํานวนปัจจุบันเขาเรียกเวทนามันนอกใจไปแล้วมันนอกใจไปแล้วแต่เรายังไปคิดว่าเวทนาเป็นของเราอยู่ใช่ไหมเหมือนคนโง่ทั้งหลายเปสําคัญผิดนั่นเองแล้วก็ปลาเรากระโจนเป็นสภาพชํารุดชํารุดไหมเวทนาเป็นอิติโตมั้ยเป็นเสนียดจันเลยโหโทรสอบนี้คุยจ้าใช้โทรศัพท์นี้ทําไมหนักจางนี้อ้าวลองว่าดิสับพี สัพพีติโยแปะเฉพาะว่าอิติความจันไลทั้งบวงจงพจงบาลาดไปอันนี้พระพุทธเจ้าให้พรเราใช่ั้ยเนี่ยให้พรแปลว่าอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานทุโยมจงจงพินาศไปจงพินาศไปอย่าให้เหลืออย่ายึดถือไว้เขาบอกว่าคือให้ถ้าพูดกันโดยตรงก็คือว่า มันเป็นมันเป็นเสนียดจริงๆเนาะรู้ไหโอ้โหพวดนี้ไม่อยากแต่งด้วอีกแล้วย้อนฝันอาหัวกลับไปถ้าไปยิ้งจะยินสับนี้ยังอยากจะแต่งด้วอีว้คือพุทธยาบอกนี่ต้องใช้ปัญญาเป็นประดุดัางขอเป็นทางขอที่เขาใช้สับช้างนะอย่างเงี้ยสำคัญเราสับนานๆครั้งเนี่ยไม่เคยส่วนตดวงสับบ่อยๆสับให้เลือดไหลอะ่ะ ถ้าสะดุดมากๆตัวนี้โอ้โหได้ดีได้ดีดดกว่านี <S <S ้เยอะต้องการนานนานต้องการนานนานเศรษฐกิจต้องการนานนานทีใช่ไหมเขาบอกเหมือนเหมือนเหมือนควานช้างนะเขาจะมีขอใช่ไหมเราก็เหมือนกันเราอยู่กับกายที่เปลือยเน่าเนี่ยนะเราเหมือนในควานช้างต้องคอยสับบ่อยๆถ้ามันดื้ <Lisa> อใช้ปัญญาเนี่ยเขาไปวิจัย ไปวิจัยบ่อยๆเพื่อจะเห็นความจริงของกายนี้ว่ามันไม่งามจริงว่ากายนี้มันไม่เที่ยงยังไงกายนี้เป็นทุกยังไงกายนี้มันเป็นอนัตตกายยังไงวิจัยบ่อยๆยเนะนั่นแหละวิจัยบ่อยๆในส่วจริงเราก็จะเห็นความจริงของกายนี้ในในอดีตที่ผ่านมามันไม่ได้วิจัยเป็นประการจริงๆอย่างจังๆอย่างนี้ก็ลองคิดดูที่ว่าเราคิดว่าแต่ก่อนเราคิดว่าเราฉลาดใช่ไหมเพื่อมบางคน เราไปสําคัญว่ากายที่มันไม่งามเนี่ยว่างามอะ่ะทั้งๆที่มันไม่งามจริงๆเลยเนะไม่ว่าจะมองในส่วนไหนเช่นว่ามันประกอบประดับไปได้วยผมเนี่ยใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อะในกระดูกเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาประชุมกันอยู่เนี่ยและสิ่งที่มาประชุมกันล้วนแต่ของไม่งามเนี่ยน่าเกลียดด้วยมาติดประแตกั น, นมากันคนละกรรมละกรรมละกรรมเลยนะเนี่ย แล้วก็มีเขตปัจจัยที่ต่างกันหมดเบ็ดเสร็จหมดเลยและในผมในขนในเล็บในฟันหนังมันก็มีดินน้ําไบลมในนั้นมี่มหาพุทรลูปและอุปาทายรูกนี้นะแล้วบอกโอ้โหของไม่งามทั้งนั้นนะ่ะที่มันมาประชุมกันแน่ของไม่งามนั้นก็ล้วนไม่เดีอีกด้วยแล้วก็เป็นทุกข์เขาอีกแล้วก็บังคับไม่ได้อีกโหหมดสภาพเลยเนะยสิ่งต่างๆอันนี้ที่มาม า, มาประชุมกันอยู่เนะี่ยซึ่การที่เราไม่ใช้ปัญญาไปเจาะ ไปวิจัยไปไข่ควรไปพิจารณาท่องแท้มันก็เลยไม่เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นไหมถ้าว่าเราไปพิจารณาอย่างนี้เบียดเสร็จเราจะเราจะเข้าใจเลยเราจะเข้าใจว่ามันไม่งามจริงจีและในภายในขนาดแค่หนังปกปิดอยู่แค่เนี้ยมันก็หลอกตาคนโง่ได้เยอะแยะไปหมดคนโง่ไปสาคัญว่ากายที่เปื่อยเน่าแล้ไม่งามนี่แหละว่างามแท้ใช่ไหมทั้งทั้งที่ไหลออกจากของที่ไม่สะอาดจะทวถาวรนั่งก้าวถาวรตา ทวารหูทวารจมูกทวารปากทวารหนักและทวารเระดและก็ยังเป็นที่ไหลออกของราคาโทซามุหะชุ่มไปอยู่ตลอดเวลาเลยในชะ่ไหมไอ้น้ำหนองคือกิเลสก็ไหลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยปกคุมกายทั้งรูปกายและนามกายไหลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนมีปัญญาดีทั้งหลายเขาเห็นตามวันเมื่อกี้เขาก็เอือมละอามากกายเนี่ยประดุจอั่งเราทราบสืนักเน่าผูกไว้ที่คออยากจะทิ้งวันนี้ อยากจะถ่ายถอนอยากจะไปแล้วไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ผู้เขาทั้งหลายก็ไปเข้าใจว่าโอ้ยกายนี้งามเลยยินดีเพลิดเพลินกับท่านุท่านอมประโคบประงหมยินดีแล้วก็เพลิดเพลินจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นทุกข์ช่วงนั้นนอกจากการไม่เห็นชาติทุกข์ไม่เห็นชราทุกข์ไม่เห็นพยาธิทุกข์แล้วก็ไม่เห็นบรณะทุกข์ไม่เห็นเป็นว่ากายนี้เป็นที่ตั้งของความโศก ค, ความลำเล่มไรลำพันธ์ไม่สบายกายและไม่สบายใจความคับแค่ใจ ในส ing, ่วนจริงถามว่าคนที่คนที่เพิดเพลินในทุกยินดีในทุกหลงไหลในทุกจะพ้นจากชาติทุกข์ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานนะในส่วนจริงก็กอดอยู่กับทุกแล้วก็เฝ้าเฝ้าทุกต่อไปแล้วก็ออกจากวัตฏะไม่ได้แล้วก็ไปยินดีเพิดเพลินในภพต่อไปแล้วจิตในการที่จะคิดเงยตอนเองเงยศีรษะออกจากวัตฏะไม่มีลแล้วก็เฝ้าวัฏฏะเปนต่อไปมันก็เป็นอย่างเนี้สังสารวัฏก็เป็นอย่างเนี้ย น้าข้าวน้าข้าวก็ออกมาก็กีเลสเต็มใจกันอยู่แล้วก็ทำกำํากรรมลลามบมกันอีกเยอะแยะไปหมดไปเสร็จหน้ากรุณาใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าไปเห็นนางลูกสุก่อนแล้วพวกองค์ก็แย้มก็โอดแล้วก็บอกเถี่ยวพรา น, นุนบอกว่าดูก่อนนะนุ่นเนี่ยนางลูกสุกรมาเกิดตรงนี้อีกแล้วแล้วตอนไล่อ่ะจะพไปดูเลยในอะดีตเป็นอะไรมาบ้างโอ้โหเคยเป็นลูกสาวของเศรษฐีเคยเป็นลูกสาวของพระราชาสูงสุดเคยเป็นหมหาพรหมตรงนั้นนะ เคยเป็นพรมพด้วยนะหนักสูงสู ง, สงต่าต่ตมาเป็นสุกรเนี่ยหลังจากนั้นมาเป็นเสร็จตาอีกหน้าเนี่ยหลายร้อยปีนางลูกสุกรได้ไปบรรลุนะเพราะเจ้าแย้มบระอดเน่ยแปลว่านีนายาเนเนี่ยมีนายาเนีนางลูกสุกรนในอีกตั้งประมาณสองสามรอยปีเธอได้เป็นภิกษุนีแล้วต่อมาได้บรรลุเพราบรรลุไปเสร็จเธอระลึกได้เธอระลึกเธอเล่าเอามาเล่าหลังจากบรรลุเนี่ยเล่าศึกษาอัตภาพ สูงศูนต้องต่ำโอ้ยคนบรรลุกันเยอะเลยนางเล่าโอ้โหยหน้าหน้าหน้ากังวลน้าสื่อมเพรจริงๆเนี่ยสังสารวัตรเนี่ยเป็นแม่ไก่บ้างเป็นเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างมาเป็นลูกหมูบ้างไม่ท้องเลยเห็นไหมที่เราเห็นหมูเห็นไก่เห็นเป็ดเนี่ยเราเป็นจริงๆเราเคยเป็นและเรายังไม่พ้นก็อีกอานาภาพนาตนาใช่ไหมเพื่อ ในคาถาธรรมบบทีบ่อ บ, บอกว่ายาธาพิมูเรอนุปะเเวดนเนชินโนปิรูโคปุนเรวรูหาตีเนี่ยก็ไล่าสาธยายเลเอวามปีตันหาโนสเยนฮเนาเตมิปัตติดุขมีดังบุนะบุนะชอบสาธยายมันคือสาธยายแล้วอัถาของของตรงนี้มันมันนะเห็นไหมเพราะสาธยายแล้วฟังตันหานี่ประดุดดังยางเหนียวไ กระแสของตัณหาเน ไ, ไหล arring, แล้วกระแสของตัณหาสามสิบหกมันไหลไปทางดาวาันตาหูจมูกลิ้นใจใจไหลไปเนีรยลมต่างๆใช่ไหมไหลไปในรูปารลมตาตารลมกันดารมรักษารมปวดตาพารมา ม, า ม, า ม, ม, มันเหมือนต้นไม้อ่ะมันมีรากนะมันมีรากมันตัดข้างบนมันก็ขึ้นใหม่ตมัดข้างบนมันขึ้นใหม่ลองเหมือนกันเน Я, มื่อถอนตัณหาไม่ได้นะ่ะตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วกเกิดเรื่อยๆ ม, มันถอนตัณหาไม่ได้ พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายยังถอนรากตัดรากคือตัณหาเสี้ยจะได้พ้นจากชาติที่ทุกข์ชราทุกขพยาที่ทุกขเป็นต้นอะไรเนี่ยมา น, นั่งพิจารณาดูเราเนี่ถูกนะถูกเหมือนท่านท่านพุทธเจ้าบอกว่ากระแสของตัณหาเวลาไหลแล้วแตกขึ้นในใจเรื่งสัตว์โลกไงทำให้สัตว์โลกนี้กระเสือกกระสนเหมือนอะไรเหมือนกระตายที่ติดอยู่ในกับดักของในพานก็ดิ้นอยากจะออก มันก็ติดอยน่กระแสตัณหาเนีเวลาเราเกิดตัณหาขึ้นมาผูกมัดเอาวไว้ไม่อยู่ตรดินดิ้นไปทั่วตามอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินนั่นก็ดิ้นไปใช่ไหมดิ้นไปในการหือตรงนี้แล้วดีแล้วศาสร์โยกไปแล้วก็เสือ่อมส่วนก็ไปตรงเนี้ยข้าพบอกว่ า, วาอิจิโตเป็ น, สนเสนียนอุปัตถวโตก็คือเป็นอุบาทอาสาตโตก็คือเป็นสภาพที่ไม่สําราญในพยาโตก็เป็นภัยมากอปัสสัคโตก็เป็นอุปสรรค จระโตก็คือวันไว้ปพังพุโตก็คือผุพังนะนะอันทวะโตก็คือไม่ยั่งยืนนานระโตไม่มีอะไรไปที่ต้านทานได้อเลนโตไม่มีที่เรล่นอาสระทโตก็คือไม่ใช่สารณะนะไม่ใช่สารณะนะนะเวทนาทั้งหลายตอนนี้เป็นต้นนะอสระนีภูตะโตไม่เป็นที่พึ่งฤตโตก็คือว่างว่างจากสัตว์บุคคลเป็นต้นปุจโตก็คือเปล่าโดยส่วน ญ, ญโตก็คือสวนนิวาณในนะในแง่ของอนัตตานะ อนตัตโตเป็นอนัตตาอาทิเนวโตนี้มีโทษวิปริณามะธรรมโตมีความแปรปวนเป็นธรรมดาอาสาระโตก็คือไม่เป็นแก่นสารอะฆะมูรโตก็คือเป็นมูลแห่งชาติทุกชราทุกพยาทุกว่าไปวัฏจักะโตเป็นผู้ฆ่าโอ้โหเวทนาะขันนี่เป็นผู้ฆ่านะเขฆ่าเวทเขฆ่าสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันฆ่ารูปขันฆ่าตัวเองด้วยนะเอเ อ, เอแปลกจริงขันมันฆากันเองนะ ไอ้ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่รูปประคันก็ฆ่ารูปประคันไอ้เวทนาก็ฆ่าเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกเวทนาก็หายทุกเวทนาเกิดขึ้นสุขแล้วเวขาก็หายเวขาเวทนาเกิดขึ้นสุขอะทุกก็หายเห็นไหมมันฆ่ากันเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นสภาพพวกฆ่ายอมนอกจากมันจะฆ่าตัวมันเองแล้วมันฆ่าขันที่เกิดพร้อมในเทาด้วยถ้าเวทนาขันแตกดับสัญญาขันก็แตกดับ สังขารละขันต์ก็แตกดับวิญญาณขันต์ก็แตกดับเห็นไหมมันก็จะฆ่ากันไปอยู่อย่างเงี้ยมันฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสภาพบุคคลแล้วเราจะไปยินดีอะไรกับมันยูยินดีกับอะไรมันถามว่าสายฟ้าที่มันแลกปับป๊บแป๊บปเนี่ยเลยยึดมั่นสายฟ้าแลบคนฉลาดไม่ยึดมั่นสายฟ้าที่แลกเนี่ยก็เป็นของเรารูปนามมันดับเร็วกว่าที่ไหนนั่นเี่ ไปยึดม so ันในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงไปเพลิดเพลินในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงไปพอใจในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงไปหลงไหลไปอะไรยอาวร์ในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงไม่ใช่คนดีแล้วนี่คนนะคนไม่ใช่คนดีนะเนี่ยถ้าไปหาไปยินดีเงี้ยมันยินดีในของที่มันไม่มีอยู่จริงมันแตกดับมันผุพังมันสลายใช่ไหมมันเป็นของศูนย์เป็นของเปล่าเป็นของว่างเป็นอนาตามันมีโทษอ่ะ มันมีความแปรปวนเป็นธรรมดาไม่มีแก่นสารเป็นมูลหนึ่งทุกเป็นผู้ฆ่าถ้ามาพิจารณานี้ไม่เห็นจะมีสาระในสิ่งเหล่านี้เลยใช่ไหมถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ถามว่าแต่ว่ามันไม่ยอมจบเนี่ยพอบอกว่ า, วาดับในจุตติก็ไปยกขึ้นใหม่ในขณะปฏิสังี์ก็แบกขันธราภาระยกขันธภาระบริหารขันธภาระก็ไปแตกดับใหม่เออสิมันออกไม่ได้ ถ้าศรัท ธ, ธาแค่นี้ไม่พอวิริยะสติสมาธิปัญญาแค่นี้ไม่พอไม่พอต้องทอํายังไงต้องให้อาหารศรัท ธ, ธาให้มากกว่านี้ไหมต้องให้ปัจจัยเข้ามากกว่านี้ให้ปัจจัยของศรัท ธ, ธาให้อาหารของศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาให้มากกว่านี้ถ้าแค่นี้ไม่พอต่อการที่จะก้าวออกจากชาติทุกข์พยาติทุกข์มรณะทุกข์อีกตัวหนี้ เังต้องเพิ่มยิงยถ้าไม่เพิ่มเราก็กลายเป็นปู่โสมเฝ้าพบมันจะเป้าซรรับอย่างเดียวนะเฝ้าเฝ้าพบเลย<ม>ใช่ไหมก็เฝ้าวัตตะต่อไปสิใช่ไ้ยเอาสิคนที่เขามีปัญญาเขาก็ออกจากวัตตะที่เราไม่น้อไม่สร้างศรัทาธาเสียสติสมาธิแข็งแรงแล้วก็เฝ้าหรือเราถือว่าเรามีเพื่อนเยอะ เอาถ้าหาเป็นมนุษย์นี่ทะเลาะกันไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทะเลาะกันไหมก็อยู่คนละพวกก็กัดกันถ้าไปเป็นมดก็กัดกันไปเป็นแมลงก็กัดกันไปเป็นนกก็ตีกันเลยนะสารพัดจิกกันเนคนละพวกมันก็อยากเป็นใหญ่กันแล้วเราจะไปยินดีอะไรไม่เห็นหน้ายินดีไม่เห็นหน้าเพื่อเพิดอไม่เห็นหน้าเข้าไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ยังบางคนเข้าย้าย่างใช่ เข้าใจแล้วไม่น่าไม่ น, ไมน่ายินดีไม่น่าเบิดเพลินฉะนั้นความรู้ที่พระเจ้าสอนเนี่ยเป็นความรู้ในการที่จะไม่ติดข้องในสิ่งเหล่านี้ขอให้เราศึกษาฟังพระธรมรมคําสอนของผู้บรมศาสตาที่สอนไว้เถิดแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้จะได้ออกจากวัฏฏนะได้ใช่ไหมถ้านในส่วนจริงเราก็ติดข้องในสิ่งเหล่านี้ เมื่อวันก่เ ม, มื่มอวานนี่เขากระซอกนีโมเนี่ยมาพูดเรื่องเรื่องตรเนี้เขาจะวางใจต่อสถา น, นกนารณ์อย่างสมัยก็พูดถึงพี่กิณกันก็บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นน่ะดีแะดียังไงพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเมื่อภัยคือความแตกแยกมาถึงในหมู่ประชาชนแล้วภิกษุนเนี่ย ให้มันพิจารณาดูเวลานี้เรายังสามารถที่จะเจริญศิกขาสามก่าวคือสีนสมาธิปัญญาได้อยู่ไหมถ้าได้แต่มันจะมีเวลาหนึ่งณเวลาหนึ่งที่เมื่อภัยเหล่านี้มันรุนแรงมากขึ้นมันจะเจริญไม่ได้นั้นต้องระดมศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นระดมความเพียรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ระดมวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะอุ ป, ปาท각กกมณสิกานต้องแข็งแรงนะเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงตอนนี้ยอมมงคลถึงโสดาปิมักหรือยังเนี่ย ย, ยังไม่ถึงใช่ไหมต้องระดมก็ย้ายถึงบรรลุโสดาปฏิผลหรือยังยังนะทําให้แจ้งซึ่งนิพพานของว่าโสดาบัตหรือยังยังอีกใช่ไหมว่าถึงธรรมที่ยังไม่ถึงทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งแล้วก็ บารู้ทำที่ยังไม่ได้บารู้แล้วก็ทําไม่แจ้งซึ่งทำที่ยังไม่ได้ทําไม่แจ้งการคิดในลักษณะอย่างนี้เป็นการระดมความเพียรตอนเนี้ยระดมได้ไหมระดมความเพียรได้ไหมเนี่ยเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะต่อไปมันจะไม่มีโอกาสแล้วนะความแก่ตอนนี้อ่มันพอไหวแต่ถ้าแก่มากกว่านี้มันจะระดมไม่ไหว ความป่วยที่มันมีอยู่ตอนนี้ยังพอระดมไหวกระวมความเพียรไปต้นไหวแต่ถ้าป่วยมากกว่านี้มันจะไม่ไหวความเจ็บที่เราเจอกันปัจจุบันนี้มันยังพอระดมความเพียรไหวแต่ถ้าเจ็บมากกว่านี้มันจะระดมไม่ไหวถ้าไม่คิดอย่างนี้นะในส่วนจริงเราก็ออกจากสังสารวัดไม่ได้ใช่ไหแล้วคนเจ็บปวดถ้าออกไม่ได้ใครเจ็บปวด เมื่อโลกพิจารณาเห็นเวทนาอย่างนี้ก็ว่าสังทัดตึกเขาบอกว่าเป็นผู้ฆ่าเป็นสภาพเป็นความปราศจากความเจริญวิภาวะโตอย่างนี้นะวิภาวะเนะยไม่เจริญนะเนี้ยว่าบอกโอ้โหเนี้ยอุ้ยต่อไปเนี่ยนี่เราบางคนไปดูหมอนดูก็อุยชีวิตต่อไปจะดีขึ้นก็หกอะใช่ไหม ไปดูบอกโหเนี่ย네ตอนแก่ตัวจะดีนี่เนี่ยว่าั้นนะหมอดูไปดูว่าไงก็หกยอมก็นั่งยิ้มดีใจโ อ, โอ้โหมันไม่มีดีหรอกเป็นสภาพที่ปราศจากความเจริญถ้าไปให้พระเจ้าดูท่านพระเจ้าจะดูว่าไงเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความไม่เจริญเป็นไปเพื่อความวิบัติเป็นไปเพื่อความผู้พังเป็นไปเพื่อความพินหน้าเป็นไปเพื่อความไม่มีเหลือ อย่างเงี่ยพุทจ้าจะตัดเนี้ยแต่หมอดูว่าอ้เนี่ยตอนแกอายุชีวิตจะดีขึ้นจะเจริญขึ้นหูผิดหลักความเป็นจริงเรงนี้ตาเนี่ยนะต่อไปมันจะตะวันต่อไปมันจะดีกว่าวันนี้หรือหรือวันนี้ดีกว่าหูอะมันจะดีขึ้นแล้วมันจะเสื่อมลงเนี่ยจะหมูกลิ้นกายใจไปเตอมมันจะเริ่มเสื่อมไม่หมดละฉะนั้นมันไม่มีดีแล้วมันมีแต่จะแย่ลงแย่ลง มันเป็นอย่างนี้นี่ความจริงมันปรากฏอย่างนี้ถ้าใครไปบอกว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยยาขนาดไหนไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงนั้นต่อไปไม่กล้าแม้แต่ทั้งมองหน้าในกระจกไม่อยากมองมองแว็บเดียวแค่นั้นรีบเดอนผ่านเลยใช่ไหมมองแว็บเดียวแค่นั้นโอ้โหไม่อยากจะมองซ้ำอีกเลยบอกโอ้โหอะไรเนี่ยหน้าใครก็ไม่รู้เวลามีห้องเขาจะบอกอย่าไปทํากระจกรอบ้าไปได้แจ็ตกใจนะเขาวิ่งหนีวุ่นเลยเนี่ย วิ่งหนีตัวเองเนะนางอัมพาปาลีนะเธอพารณาเธอพารนาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผมของเธอเนี่ยงามมากเป็นลอนเน่ยแต่ณปัจจุบันเนี้หยากกร้านอย่างกับเปลือกปอกเหมือนกระป่านเหมือนกระปอกแต่ก่อนเนี่ยจมูกของเธอเนี่ยโอ้ยโค้งเหมือนกับหอละดานปัจจุบนนันคดอย่างกระฝักแคร แล้วก็บอกว่าพระดำรัตของพระผู้มีพระาเจ้าในจริงแท้ไม่แปรผันนางเจริญวิปน์นาวิปน์นาอาชีนวานุปัสนาญาณเกิดเห็นไมเนี่ยแค่เนี่ยวิปน์นาก็เกิดใช่ไหมเกิดอย่างเงี้ยพรพิจรารณาพระดารัตของพระบรมศาสดาจริงแท้ไม่แปรผันใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยขอภัยเนี่ยเธอบอกว่าหน้าอกของขอ ง, ของเธอเนี่ยแต่งตึงปัจจุบันนี้หย่อนยานเหมือนกระถ u งน้ํา มันก็บถงน้ำก็ว่าโหพระดำลัดของพระบรมศาสดาจริงแท้ไม่ไม่ไม่แปรผัแล้วก็พิจารณาเห็นโทษแต่ก่อนเนี่ยขาใช่มผิวของนางอะไรต่างๆงามมากเลยใช่ไหมข้าวนะข้ า, า, ขาก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยคดคดด้วยแล้วก็เป็นปมเป็นข้อด้วยอย่างกระไอเ้าวันเน่ยที่เป็นปมเนียเส้นเอ็นมันขึ้นสะพังหมดเนี่ย ผู้ผดจัมหลัดของพระบระมาศ า, าสดาจริงแท้ไม่แป็นันพิจารณาไปเงี้ยเห็นไหมพระเจ้านี่ไงคือความจริงวิปัสนาก็าเข า, าเจริญกันอย่างนี้โยมเขาเอาของจริงมาวิจัยไงวิปัสนาเนี่ยเขไม่ได้หลอกกันเลยนะเอาเรื่องจริงๆมาไข้ควรเอาพิจารณาเลยเนะี่ยบางคนเนี่ยรับไหวไม่อาจารย์เงี้ยโอ้โหรับไม่ไหววิปัสนาญาณพระเจ้ารุนแรงกินไปไหมเขาพระเจ้าสอนเป็นพุทธจพทธจน์เลยนะ ฉะนั้นสังขาระตะตัวมีปัจจัยปุงแต่งมารามิสโตเป็นเหยื่อของมารเป็นเหยื่อของกิเลสสมานมัจุมานเทพุตมานะที่สังขารมารขันธะมานผูนน้เป็นเบืเหยื่อของมารแท้ๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันเล่นงานหมดแหละลองคิดดูดีว่ารูรเบธนาสัญญาสังขารมีญานในกิเลสครอบงามหมดแหละแล้วก็รูปเบทนาสัญญาสังขารมีญานเนี่ยนะสิ่งต่างๆเหล่า น, นี้ก็เป็นอะไร เป็นมะจุมันเดี๋ยวก็ตายอ่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วก็เป็นเหยื่อของอภิสังขารมารก็คือเป็นผลน่ะเนี่ยอภิสังขารมานเนี่ยเป็นผลของบุญบางผลของบาปบางมันเล่นงานตลอดเวลาเนี่ยมีชรามีชาติเป็นธรรมดาชาติธรรมโตมีความเกิดเป็นธรรมดาชราธรรมโตมีความแก่เป็นธรรมดาพยาธิธรรมโตมีความป่วยไข้เป็นธรรมดามรณธรรมโตมีความตาเป็นธรรมดา โสกกะปริเดวะทุกขโทมนะสาวุปายาสสะดัมมโตโสกกะปริเดวะทุกขโทมนะสาวุปายาตเป็นธรรมดาสังกิเลสาธรรมโตมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดามีรลาคะโทสะโมหมานะทิฏฐิวิจิจิชาหิริการโนตเป่าวัฏจารนะ่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสมุทิยะโตก็คือว่ามีความเกิดเพราะอวิชชาตัญหากมและพัสสะเป็นธรรมดาอังอัถถังธรมโตก็คือมีความดับเป็นธรรมดาอัสาทะโตก็คือ โดยชวนให้ช่มชื่นอาท์ีนวะโตโดยเป็นของมีโทษนิสระนโตเป็นอุบายเครื่องสลัดออกย่อมไม่เพื่อเพลินไม่พร่ำถึงไม่ตั้งอยู่ด้วยความติดใจถึงเวทนาย่อมละย่อมบันเทาย่อมทําให้สิ่นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความเพื่อเพลินความพร่ำถึงและความติดใจเมื่อโลกนะพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายด้วยการสี่สิบสองอย่างอยู่ย่อมไม่เพื่อเพินตรงนี้โอ้โหหลายอยากใช่ไหมถ้าใครออกมาวิจัยนี่ทุกวันนะ วัน ล, ละห้าสิบรอบวิจัยเรื่ อ, ๆอยๆนี่นะท่องใ้ได้ด้วยวิจัยห้าสิบรอบนี่นะ oh. นายก็นายอมมงคลเงินเบื่อนะ่ะเนี่ยวิจัยท่องจนจําได้เอาสวดมวนต์เลยเวทนาสัญญาสังขารนิตญาณทั้งหมดเนี่ยท่องแปลท่องแปลท่องแปลเข้าใจนั่งวิจัยพูดออกมาจากเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาคิดก็คิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะ เดินไปไหนของวิจัยหรืองนี้อยู่ตลอดเวลาลองดูที่ตัณหามันจะได้ทีต่างนี้ไหนใช่ไหมนี่แหละวิปัสสนาของอริยธรรมทำแบบนี้วิจัยอยู่ตลอดเวลาทํางานไปกับวิจัยไปทําอะไรต่างเงี้ยลองวิจัยอยู่ตลอดเวลาลองดูดิลองดูที่ตัณหา ไ, ได้ทีตัางไม่ ย, ยอมหวานลองดูที่าท า, าททกับข้าวไปกับภาวนาไปอ่ะนะ พูว่าโตไม่ย่ํายืนอาตาหน้โตไม่มีอะไรเป็นที่การทานอเลน่โตไม่มีที่เล่นอาสาระนาโตไม่ใช่สระนาอะไรเนี่ยไล่ไปเรื่อยเรื่อยเนี้ยต้องทำเดียวทีทำกับข้าวไปก็พรลนาไปโอ้โหกับข้าวกินอร่อยเหลือเกินเนี่ยอันจริงมันเรื่องดีนะลองคิดดูดิ่หนักข้าวนัข้าวเนี่ยก็จะจิตมันก็จะพัฒนาสักอีกมุมหนึ่งใช่ไหมย่อหมูไปนั่งขายของอะไรนั่งขายของมาพัลนาไปเนี่ยขายเนะ อัฐวะโตไม่ ย, ยั่งยืมอานาระโตไม่มีที่ดานทานอนเลนะโตนั่นเวทนาดับไปแล้วบอกฤท ต, ตะโตว่างบางชุดจะโตบางป่าสวญจะโตก็เป็นกองศูน น, นะนะแตโตเป็นอนานตาไล่ไปอย่างเงี้แล้วก็เข้าใจด้วยอท่องแท้ด้วยพิจารณาบอกว่าในที่สุดยิงมันคิดด้วมันถึงบอกไงบอกว่าถ้าจิตมันน้อมันไข้ควรไปอย่างนี้จลอดเวลา จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต่างๆลองไท่ควนดวงจริงดไม่มีเหลือเข้าใจทุกคนนะถ้าพิจารณ า, าอย่างเงี้ยเข้าใจทุกคนนี่เราไม่ค่อยทำกันจริงๆยังจั ง, งนี่สักทีเวรหลับๆเต้น ๆ, ปนๆไป อ, อะไรเกิดก็รู้อะไรเกิดก็ ร, ร, กกรู้จบเลยมันมันไม่ถ่ายถอนะล ย, ยะมันใช้คำว่ามันไม่พอไม่พอหรอก ก็กิเลสมันแรงจะตายเราไปพิจารณาเมือนั้นมาบอกว่าต้นไม้ขนาดเนี้ยแต่เอาเมียขนาดยาคาไปฟันก็ไม่นั่งฟันเล่นนะเล่นใครของอะ่ะแค่นี้จริงๆถ้าลองวิจัยอย่างเนี้มาว่าไปวิจัยเลยแล้วยอมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในความคิดวิจัยเ๊อปป๊อ ป, อ ป, อปอไปเลยนะ่ะเข้าหูเร็วด้วยนะจะเป็นคนที่วิจัยเร็วก็เหมือนทั้งโลกใช่ไหมเอาพอพูดถึงเรื่องที่เนี่ยคำนวณเร็วๆมั้ย โอ้ยคำนวณได้เร็วเลยใช่ไหมเอาบอกว่า4คูณ6นี่เข้าใจทันทีเลยหรอจำไหมว่ากี่ตารางเม็รเนี่ยวิจัยได้เลยว่าโอ้ยขนาดนี้เดินโยงกลมได้ไหมเนี่ยอี่เงี้ยดอย่างเงี้เป็นต้นหนี่ยนะมันคำนวณได้อะมันเข้าใจได้วิจัยได้พิจารณาได้ฉะนั้นในคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการวิจัยเรื่องการพิจารณาเรื่องการไขข้อรวรไม่ใช่เรื่องการไม่ใช่เรื่องการมึนๆ่ะ แ บ, บเฉยไม่ได้พิจารณานี่ไม่ใช่นะต้องพิจารณาใหม่ใหม่มันไม่ค่อยชอบพิจารณาเรายอมแต่ลองพิจารณาไปเรื่อยมันไปจากช้าเลยนะเข้าวิจัยปุ๊บปุ๊บปเข้าใจกันดีปัญญาก็เกิดนี่เป็นอย่างนี้ลองคิดดูที่ถ้ามีใครเดินเดินมาถุยระําายรถเราเข้าไปนะความโกรธแล่นเร็วไหมเร็วมากใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมนั่นแหละให้ปัญญาเร็วเท่านั้นน่ะปัญญาเร็วเั้ืน่ะ ให้ปัญญาเร้วถ้าไมเ่เร็วขนาดนั้นจะ ก, การความโกรธทันไหมนั่นแหละการวิจัยยิ่เป็นเป็นเรื่องที่สาคัญไม่ใช่ว่าโอ้โค่อยๆอเป็นค่อยๆอไปแนะนําแบบเอาใจกันเนี่ยย่อมงคนเ่าเสียเวลาไม่ใช่แนะนําแบบเอาใจกันเสียเวลาใช่ไหมโอ้โหเสียเวลาเสียของด้วยเสียค่าแอร์ด้วยจริงไม่ม <laughs> เดี๋ยวเสวตน